สมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันฉะนั้นภาวนาก็เหมือนกับไม้ท่อนเดียววิปัสสนาอยู่ปลายท่อนทางนี้สมถะอยู่ปลายท่อนทางนั้นถ้าเรายกไม้ท่อนนี้ขึ้นปลายท่อนไม้จะขึ้นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างถ้ายกไม้ท่อนนี้ขึ้นปลายทั้งสองก็จะขึ้นด้วย อะไรจะเป็นตัววิปัสนาอะไรจะเป็นตัวสมถะก็ตัวจิตนี่เองและเมื่อจิตสงบแล้วความสงบเบื้องแรกสงบด้วยสมถะคือสมาธิธรรมทาให้จิตเป็นสมาธิมันก็สงบถ้าความสงบหายไปก็เกิดทุกข์ทำไมอาการนี้จึงให้เกิดทุกข์เพราะความสงบของสมถะ เป็นตัวสมุทยัยแน่นอนมันจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อมีความสงบแล้วยังไม่จบประศาสดามองเห็นแล้วว่าไม่จบพบยังไม่สิน้นชาติยังมีอยู่รมจ a j a ์คือการประพฤติธรรมมันประเสริฐหรือมัจยังไม่จบมันไม่จบเพราะอะไรเพราะมันยังมีทุกข์อยู่ท่านจึงเอาตัวสมถะตัวสงบนี้ พิจารณาต่อไปอีกค้นหาเหตุผลจนกระทั่งท่านไม่ติดในความสงบความสงบก็เป็นสังขารอันหนึ่งก็เป็นสมมุติเป็นบัญญัติอีกติดอยู่นี่ก็ติดสมมุติติดบัญญัติเมื่อติดสมมติติดบัญญัติก็ติดพบติดชาติพบชาติก็คือความดีใจในความสงบนี่ลหละเมื่อหายความฟุ้งซ่าน ก็ติดความสงบ ก, ก็เป็นภพอีกเกิดอยู่อย่างนี้ภพชาติเกิดขึ้นมาทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่รู้